เป็นวันที่ชาวพุสมมติมว่าเป็นวันมาฆะมาฆะเป็นชื่อของเดือนมาฆะคุณนั่นเคุณนั่นเอป็มาพร จ, จันเต็นดวงมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสน า, ศาคือเป็นวันที่พระบรมศาสด า, ศา รงอายุสังขารในเวลาตะวัน่ายตรงกับวันนี้ใกลของวันนี้รงอายุสังขารคือได้รับอาราธนาของมาศพุรลมมัสสาชาดาเอ๋ยพุทธบริษัทพิสุพิสุเีอุบาสกอุบาสิาสกา ตลอดถึงพระโสดาบันสัทาคามีอนาคามีสมณีนนลีนางศิษฐามานาภิกษุณีที่เป็นพระโสดาบันสัพทาคามีอนาคามีภักอรหัน์ก็มีทั้งเพศโยมมีทั้งเพศบรรกกิตทั้งฝ่ายเพศหญิงและเพศชายครบแล้ว คำสั่งสอน ใ, นใดๆของพระบรมศาสดาก็สังสอนมากแล้วคบบริบูรณ์หมดไม่มีบกพร้องอพราะพระองค์จงประเิพพานถือมาแสดงตัวมามาอาราธนาพระบรมศาสดาในวันนั้นเป็นเวลาสวรรบาล พระบรมศาสด า, าเออมานผู้ใจบาปเธออยากขนาย่ตถาคตมากการปฏิทินฟางของตถาคตก็จะมีในวันเพ็มเดือนหกต่อ น, นี้ไปพอพระบรมศาสดา รับคําอาราธนาของพาของมานแผนดินกอไว้หะสยดสยองพระอนุ์กาทูนพระบรมศาสดาที่นี่พูดข้ามไปพระบรมศาสดาให้โอภิเษกพระอนต์ว่า อ น, อนนลเอ๋ยจะทาคตเปรียบเหมือนเกวียนที่ซ่อมแซมดยม้ไ่อนี่ยน้ำวันจะขําค่้าสองั้างสามั้างโทษถ้าอนนลซึ่งเป็นพระสวัสดิ์ันอยู่ไม่รู้จักความหมายมานเข้าโดนใจเชียร์แน่ดนใจพระอนอนลมาให้รู้จักความหมายพระอนอนลก็ฟังเกย์เกย์มาได้อาราธนา ถ้าอย่างนั้นอาราธนาพับรุลมัสสัจจะอยู่ไปอีกสักกับหนึ่งหรือหนึ่งกับหรือกึ่งกับพระนุ์ก็ไม่ได้ลาธนาอาลาธนาเมือ่อเมื่อเป็นอย่างนี้พับรุลมัสสัจจะก็บอกเมื่อพระอานุ์ไม่เข้าใจความหมายก็บอกพระอานนุ์ถ้าอย่างนั้นเธอจงหลีออกไปนั่งข้างนอกไปเสียอานนุลก็ห่างออกไป ไะนั่งอยู่ที่แห่งนมารก็อาราธนาในช่องนี่พระบรมศาสดาก็รับมารอย่างกล่าวมารอย่นั้น เ, เ, เห็นดินก็ไหวพระอานุ์เห็นแปลกประหลาดขั้นมารหายตัวไปแ ล, ล้วแต่พระอานุ์ไม่ทราบว่ามารมาอาราธนาพระบรมศาสดาบอกเพราะมารไม่ให้พระอานุนเห็นให้เห็นแต่พระบรมศาสดา ได้มาส า, าธุนพระบรมสาธิราแผนดินไหวประโยชน์ส ย, ยองเอออานุนเหตุที่แผนดินไหวนะั้นมีอยู่แปดประการลมกำลบหนึ่งท่านผู้มีฤิธิ์บันดาลหนึ่งพระโพธิสัตว์ประสูตรหนึ่งพระโพธิสัตว์ตรัสรู้หพระโพธิสัตว์แสดงธรรมจักหนึ่ง พระโพธิสัตว์ตรงอายุสังขารหนึ่งพระโพธิสัตว์ปรินิพพานหนึ่งเดี๋ยวนี้เราจตะท้าพตได้ปรงอายุสังขารกระมานจะแล้วพระอานนุ์เสียใจที่เรารับกระมาณเป็นความผิดของอานนุน ในเมืองเวสารีในเมืองราชคฤก์เราจะทำอุบายให้อานนท์ฟังอยู่ว่าสังขางมใเที่อืยนเกียบเงินเกวียนล้วให้อุบายได้รักตั้งแล้วรวมทั้งหมดเป็นสิบหกสำบลอานนท์ไม่อาราธนาต่เขาเขเป็นความผิดของอานนท์แต่ผู้เดียถ้าอานนท์ก็เลยร้องไห้ที่นี้ถ้าจะปรารบอันนี้เรื่องอันนี้ ก็ยืดยาวนะักเป็นพุทธประวัติไปในสถานที่นี้ไม่ได้สมมุติทำบุญมาค่ะเต่ก็ว่าถือว่าทำอยู่ทุกวันก็เหตุใดก็เพราะเหตุว่าสถานที่ไม่อำนวยที่เวียนเทียนก็ไม่มีคุ๊ครับและให้เข้าใจว่าการมาค่ะ คนละมีนี้เดี๋ยวก็ยังอีกเรื่องหนึ่งและเป็นวันที่จะตุรงพระสันนิบาตด้วยพระพิกษุหนึ่งพันสองรอยห้าสิบองค์ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์มาทางทิศที่บวดตัวเองที่มาสัมปทา <c oughs> มารวมกันในวันนั้นมาในทิศทั้งสี่โดยมาในมนลนัดหมายพระบรมศาสดา ประเทศโอวาปาทิโมกในคำโอวาปาทิโมกนั้นการไม่ทำบาปการละบาปและทากิจให้ยิ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นี่ปริยายไปอีกปณีกะปัิยายเย็นะมีอีกมากมายการท่องเที่ยวในวัดทัง้งศาลพวกเราได้ยบตรงเพียงชาตนี้แล้วพูดโย่อ ขพ้พระบรมศาราเทศฉลองพระลหันเหล่านั้นจึงเป็นวันสำคัญที่เกศีอาจารย์เลยผูกมัดขึ้นว่าให้เป็นวันสังเวชนิยสถานที่ประสูติหนึ่งที่ทัศรู่หนึ่งที่แสดงธรรมจักหนึ่งที่ป r งอายุสังขารที่ประดิพพาน เป็นสถานที่บุคคลควรระลึกถึงจะได้ถึงสามาพระจจ้กคุสลเจ๊คิอาจารย์ท่านก็เลยกำหนดไว้เพราะกลัวว่าคุณบนสุดท้ายภายหลังจะไม่มีเพราวัดปฏิบัติแต่พวกเราเป็นนักปฏิบัติมาปฏิบัติถึงเพียงนี้แล้วต้องรู้จักความหมายในวันวิสาขะวันมาฆะ ฝ่ายปฏิบัติฝั่งปฏิบัติเข้าข้างในอีกถ้าผู้ใดทำความเพียรเพื่อคนทุกข์ในวัฏจากรสงสารตื่นยิ้วด้วยสติมีความเพียรอยู่หวังเพื่อคนทุกข์ในวัฏจากรสงสารก็เรียกว่ามีเป็นวันมาฆะอยู่ทุกวันเป็นวันเวทสาขะอยู่ทุกวันเป็นวันบุญเวษสันนรอยู่ทุกวันเป็นวันวันบุญทุกชนิดอยู่ทุกวัน เมื่อสร้างบุญชนิดอยู่ทุกวันก็เรียกว่าเป็นผู้มีมาคะวิสาขาและบุญเข้าพัรษาบุญออกพัรษาบุญอะไรต่ออะไรก็มารวมอยู่ที่ความเพียรเพื่อบรรทุกในวันต่ตาสงสารนี้เองวันนี้เมื่อเป็นวันดังนี้เราก็ทําความเพียรเพื่อบูชาวันมาคะให้สมกับฐานะของเราผู้ปฏิบัติ เพราะเราไม่ใช่ฝ่ายปฏิญาณและสถานที่ของเราก็ไม่อํานวยรู้ด้วยบูชาใดในโลกจะบูชาดอกไม้ทูบเทียนเต็มพรมโลกก็ไม่เท่าปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาจะยังพระพุทธศาสนาให้ดํารงคงทนไปนานแต่ก็ไม่ปฏิเสธเมื่อมีดอกไม้ทุบเทียนมาโดยเป็นธรรมเราก็บูชากันไม่ไร้เว้น จะไม่มีเคียนที่จะจุดวันนี้ก็เอาไปจุดแล้วแปลว่ามีมาคะมีวิสาขะอยู่ทุกทุกวันพระนักปฏิบัติปฏิบัติเพื่อพ้นทุกในวัฏสงสารอยู่ทุกๆกวันแต่วันนี้ต้องทําให้มากกว่าวันอื่นอย่าเห็นแก่รับแกนอนเพราะเป็นวันมาคะ ปฏิบัติบูชาพระบรมศาสดาก็ปฏิบัติบูชาเรานั่นเองบูชาความดีของเราเพื่อจะรุดพ้นในวัาระสงสารจะบูชาหรือไม่บูชาพระบรมศาสดาท่านก็พ้นไปแล้วท่านไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราไม่เป็นห่วงอะไรรอกเพราะทิ้งในไหนท่านก็ทุ่มเทลงแล้วมีแต่พวกเรานี่เองเป็นห่วงพวกเรา อยากจะให้รุดพ้นไปเหมือนองค์ท่านพ mm hmm. อหมดความสงสยนะัยแล้วองค์ท่านไปดีแนละ้วสุขโต mm hmm. องค์ท่านมาได้ที่เตียนองค์ท่านตอนนั้นเราก็ไม่ได้สั่งสอนพิจูสามเองยังบกพร่องอยู่ตลอดถึงเ ท, ทวุตรเทวนาอินปรมยมรัก mm hmm. แล้วน่าเสียดายนะับพระบรมสัตย์สดาไม่ได้ว่าเพราะว่า สิ่งทั้งวงพระบรมศาสดาทอดเทีให้ใจโลกธาตรรุหมดแล้วเนี่ยฉนั้นจึงปลอบโยนพาาระา อ, าอนุลพาะอนุลร้องไห้แต่ไม่ร้องไห้เหมือนคนชาวบ้านไม่น้ำตาไหลเพราะถือว่าพระบรมศาสดาจะเข้าสู่พระนิพพานไปพรอนพระบรมศาสดาก็พูดต่อปลอบโยนพระอนุลว่ า, อ, านอนุลเอ๋ยถ้าจะร้องไห้เถิด ตนมหาปรินิพพานสูตรพระพหลมมาชาติดาบอกให้เรียกหาพระอานุ์มหาพระอานุนโศกเท้าโศกตาในเวลามหาปรินิพพานสูตรอารนุ์เอ๋ยเธอปฏิบัติเอาเธอไม่หวังเพื่ออามิ t h ไม่ได้หวังเพื่อนาบไม่ได้หวังเพื่อยศเธอปฏิบัติจริงๆไม่ได้หวังเอาชื่อเอาเสียง เพราะเธอปาถนาจะเป็นพุทธอุปถากรรมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์บอดบอก็ระสงฆ์สงฆ์ของเธอแล้วก่นที่เธอจะปฏิบัติเธอก็มีคติอย่าให้จีวรอันประนีแก็บข้าพเจ้าอย่าให้ข้าพเจ้าไปในที่ในมลกับพระองค์อย่าให้พระองค์เอาจีวรอันประนีให้ข้าพเจ้าเทศนาที่ไหนรับหลังจง เล่าให้ พ, พระพเจ้าฟังด้วยเมื่อ พ, อพระพเจ้ารับนิมนต์ไว้แลในขอพระบรมศาสด า, ษ า, ษาจงไปฉลองชัดหาให้เขาถ้าหากว่าจะเอาจีวรอันประณีตให้ให้ พ, พระพเจ้าพวกคณะญาติโยมลูกศิษยบริษัททั้งหลายจะจงตีว่าการปฏิบัติพระบรมศาสด า, ษาเพื่อจีวรอันประณีตเพื่อบินทบาตอันประณีต ันที่ประเทศรับหลังแล้วขอให้เล่าให้ฟังก็กันเพื่อว่าพระอานวนอาปากตากฟันอยู่เฉยเมื่อเวลาพระบรมศ า, าสดาเข้าสู่พระนารแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ความโลกจะตีเตียนเหตุนั้นจึงพอพรไว้ญาติโยมมาในทิศทั้งสี่อใอ้เข้าเฝ้าได้ทุกเมื่อพระเก่งเขาจะตีเตียง ถ้าหากว่าสงอนุญาตอย่างนี้ก็จะอุปถัมภ์พระบรมศาสดาอย่า ง, งทต็ที่พระบรมพระอนุลเป็นผู้มีคติเธอเป็นผู้มีคติดีแล้วเธย อ, อย่าไปตกใจเลยเรายกย่องเธอว่าเป็นผู้มีคติหนึ่งเป็นผู้มีคติสองเป็นพระผู้สูตรเสด อ, อยู่ที่ไหนเธอก็จําได้สามเป็นพุทธอุปสาห เธอเป็นผู้สร้างบุญไว้แล้วเธออยา่าเชื่ใจเลยตอนนี้ไปจากเราไปนิพพานแล้วสามเดือนเธอจะสําเร็จพลังหันออกในสัมภายระข้างที่หนึ่งพระบรมศาสดาตายไว้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ตีความหมายว่ากุศลพ้นบุญ ใ, ใดๆหรือธรรมะใดๆที่พระบรมศาสดาเทศลงวางไว้วางเพื่อจะรู้สัตว์ออกในวัฏสงสารทางนั้น หวังเพื่อให้เข้าสู่พระนิพพานไม่ได้วางเพื่อจะให้อยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภมสมบัติแต่ว่าเมื่อกรรมยังมีอยู่ก็ผ่ อ, อนจนตามไปตามกรรมของสัตว์ถลายเศศอา น, นิสงค์ของสวรรค์บ้างอา น, นิสงค์ของภมบ้างอา น, นิสงค์ของมนุษย์บ้าง แต่ถึงอย่างนั้นขอเทศให้มีความสลดสัง เ, ศง เ, ศเลศสําเร็จเบื่อหนายถ้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระผมสมบัติผู้ที่เกียสูงใจสูงเลยสอนให้เบื่อให้หนายให้คายในวัจักรสงสารเพราะวัจักรสังสารเป็นกองทุกข์มากแยดเยียดเบียดเสียดกันอยู่ไม่มีเวลาว่างเลยความแก่ก็ไม่มีเวลาว่างความเก็บก็ไม่มีเวลาว่าง ความตายก็ไม่มีเวลาว่างตายากับเข้าวสายบายเที่อ่ะความผป่วยเน่าก็ไม่มีเวลาว่างว่ามีวันที่วันเสาเร์เมื่อหนังเมื่อเอ็นกระดูกปลูกมัดรึงที่สมมุติว่าเป็นเราเป็นบุคเขาเป็นบุคคลเป็นของป่วยเน่าเป็นของอยู่ด้วยอาหารสอง ของขปกปกโชมมุมอาหารคืนลงไปในท่อต้องเปือ่อยต้องเน่าต้องย่อยออกมาเหมือนต้นไม้ต้องทานอาหารสปกปรกโชมมุมน้ำดื่มน้ำลงไป้าตดินก็ดื่มข้าวลงไปกินข้าวลงไป้าลมก็หายใจเข้าออกเสียงมุญเสียงกรรมกันอยู่อย่างนี้ชีพจรเดินข้างหนึ่ง ก็เป็นชาติหนึ่งแล้วก็เป็นภพหนึ่งแล้วเดินอีกทุกวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งชีพประจอจะเดินกี่ครั้งก็นับชาตินับภพบมาไหวชีวิตของสัตว์ทั้งหลายกว่าชีพประจอเท่านั้นธรรมชาตสูงของพระบร ม, ามาศาสตร์สรางสอนให้เบื่อหน่ายสอนให้คลายเมาในวันตาสงสารสอนให้เห็นโทษในเกิดสอนให้เห็นโทษในแก่ สอนให้เห็นโทษในเก็บสอนให้เห็นโทษในตายสอนเห็นเห็นโทษทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตื่นที่มาเป็นธาตุเป็นภพในวัฏจัสงสารที่เปลี่ยนอิทธิบาทยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดสอนให้เห็นโทษหมดถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะไม่มีหนทางเบื่อหน่ายทายมองในวัฏจักสงสารจะไปติดอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งเหตุฉะนั้นจึงสอนให้ที่เจนาทุกพรอมกับลมให้ใจเข้าออกพรอมกับเวลาเดินพรอมกับเวลา เดี๋ยวซ้ายแลขวาเหยียดพวกแขนเมื่อเห็นทุกชัดบริบูรณ์ไม่มีอะไรจะมาบรรจุในโลกอันนี้มีแต่ทุกเท่านั้นจิตใจก็เอื่มระอาในวัฏจากสงสารทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีความเพลินในวัจักรสงสารพ็ชะงักตัวลมทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีประตูพระนิพาน ที่อยู่ในประตูใจก็เปิดออกเพื่อความเบื่อหน่ายใคยเมาในวัดตาสองศารนั่นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งอดีต ด, ด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยผู้ใดเห็นภัยในวัดตาสองสารอย่างเต็มที่พก็คือผู้นั้นเนี่เป็นผู้รู้จักมาพะบูชาและวิสาขาบูชารู้าจักความหมายคําสอนของพระพุทธศาสนาด้วยและรู้จักความหมายของศีลสมาธิปัญญาด้วย และรู้จักความหมายของการปฏิบัติด้วยและจะรู้จักความหมายของเมตตาตนด้วยรู้จักความหมายในการเดินทางด้วยรู้จักความหมายในมรรคในผลด้วยมรรคผลก็อยู่ในที่นั้นพุทธธรรมสงก็อยู่ในที่นั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดปฏิบัติเราผู้นั้นปฏิบัติธรรมผู้ใดเคารพเราผู้นั้นเคารพธรรมผู้ใดยินดีในเราก็คือผู้นั้นยินดีในธรรม ยินดีในพระนิการทำยินดีในการรุดพ้นไม่ไม่ยินดีในการท่องเที่ยวในวัฏจักรสงสารเพราท่องเที่ยวอยู่ในลุ่มถานเพลิงเพลิงแก่เพลิงเก็บเพลิงตายเพอะท่องเที่ยวอยู่ในพวกพูกเกิดพวกเก่พวกเก็บพวกตายพวกหนุ่มพวกอย่าสารพัดวัดเหวียมทำแต่และวัจบาด รนพวกเราให้เข้าสู่พระนิพพานทั้งนั้นแต่ด้วยอาศัยเกยีิเลสของพวกเรามากพวกเราก็ตีความหมายของธรรมะลงมาเข้าความตัวนโมตัวเดียวก็ส่งถึงพระนิพพานพุทธังพนาังคัจามิตัวเดียวก็ส่งถึงพระนิพพานพระนิพพานเป็นสถานคมอันบริบูรณ์คมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตาย นมโรนมรอบๆจนไม่มาเกิดแก่เก็บได้จบนมโมในที่พรลังหันถ้าถึงพลังหันก็เรียนนโมจบถ้ายังไม่ถึงพอเรียนนโมยังไม่จบเรียนพุทธทางพุทธนางพระช้ามีก็จบการกราบการไหว้ก็จบในที่นั้นเขากราบไหว้จนไม่มีกิเลสเขาพ้นจากกิเลสแล้วนมโมอิมุตตานางังนมโมอิมุตติยาน กาบไหว้ทำอนุรุกษ์พ้นไม่ได้กาบไหว้เพื่อหลอกกินขนมเรื่อหลอกให้คนนับถือไม่ได้ปฏิบัติพุทธมจรเพื่อหลอกให้คนนับถือเพื่อจะเอาเป็นเพื่ออ้างไปขู่คนเพื่อจะเอาอิทธิพลไปหลอกกินผวงพ้นทุกให้วัฏจักงสารก็ต้องเตือนตนอย่างนั้นจึงจะถูก ผู้ยังมีนิสัยอ่ อ, อนอยู่พอเป็นธรรมดาผู้วังพนทุกข์ในวาัฏาสงสารแล้วมองดูอะไรไม่เพลินทั้งนั้นในโลกอันนี้เห็นแต่กองทุกข์ยัดเยียดเบียดเสียดกันอยู่เมื่อจิตเรารวมลงไปหนึ่งเป็นหนึ่งเล็ ก, กว่าเส้นผมแปดเสียงก็คือโลกยัดเยียดถึงเสียงนั้นเองนั่นแหละโลกโลกยัดเยียดลงถึงเสียงนั้น แยกเยียดลงเน็ดเดียวจิตวนลงเป็นหนึ่ ง, งก็ค่าก็ว่าย่นโลกลงเป็นหนึ่งโลกแยเยียดจนถึงเทียงนั้นพราะบรมาาศาสนามให้สอนติดอยู่ด้วยสอนให้ข้ามข้ามมาหนักอีกด้วยไม่ยถือว่าเป็นสาตร์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเพราะเราย่นโลกลงมาเป็นหนึ่งในปัจจุบันแล้วย่นคำลงมาเป็นหนึ่งในปัจจุบันนี้ยนความเห็นลงมาในเป็นหนึ่งในปัจจุบันแล้ว ย้อนวมุตติวิสุทธิทิพานลงมาเป็นหนึ่งแล้วข้ามกันที่นั้นข้ามก้าวเดียวด้วยนัดนิ้วมือเดียวในปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมเมื่อจิตละเอียดลงไปเท่าไรโลกก็ละเอียดลงไปเท่านั้นทำก็ละเอียดลงไปเท่านั้นศีลสมาธิปัญญาก็ละเอียดลงไปเท่านั้นเมื่อจิตลงเป็นหนึ่งโลกก็รวมลงเป็นหนึ่งสมาธิก็รวมลงเป็นหนึ่งปัญญาก็รวมลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันมาพ้นทิพานก็รวมลงเป็นหนึ่งในปัจจุบัน การประพฤติพรหมจรรยไม่หวังเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารประพฤติเป็นธรรมเนียมเฉยๆถ้าไม่ประพฤติก็เกรงว่าเขาจะว่าตนไม่ดีอันนี้ยังไม่เห็นทำชัดเพราะนิสัยยังอ่อนอยู่บาลมียังอ่อนอยู่ประพฤติเพื่อเลี้ยงชีวิตอันนี้บารมีก็ยังอ่อนอยู่นี่ประพฤติเพื่อ คนทุกในวัฏสงสารในปัจจุบันในชาติอันนี้บารมีแก่ก้าแล้วผู้ใดเป็นอย่างนั้นแต่ใครเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเป็นหน้าที่เจ้าของเองจะมีอิสระดูตัวเองเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นจะไปตัดชินให้หรือจะไปรับรองให้พยาตูประธานญาร เห็นสังขานปรากฏเป็นของนาครูทั้งขานที่มีใจคลองและไม่มีใจคลองก็ดีเกวยขึ้นแรกก็แปลควนแ ล, ะ แ, ล, ะ, และแต่สลายเท่านั้นไม่มีอันใดจะจะกีรังยังยืนในไตโลกธาตุนี้เมื่อไตโลกธาตาุเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประจำโลกอยู่อย่างนี้ไม่จกกระเสียนพวกเราจะไปสงสัยโลกทาไม ก็ไม่มีสิ่งที่จะสงสัยเมื่อไม่สงสัยแล้วความทายอะทษยานในวัฏฏรสงสารก็รดตัวลงและเกิดชั่วเวทสลดตัวที่ตนเคยหลงมาไม่นอนใจกับสิ่งใดในโลกเลยไม่ไห้ใจกับสิ่งใดในโลกเลยและอายจะหาความสุขในโลกอีกด้วย ยิ้ใจกระโอนไปเอ็นไปในพระนิพพานในทําอันไม่มาเกิดแก่เก็บตายน้อมไปยินดีไปเอ็นไปเองโอนไปเองถอนเองถอนความเพลินเองถอนกัรหาทางราบ ความหมายพระพุทธศาสนาธรรมศาสตร์สนาสั้งฆศาสตร์หมายจะเลื่อสัตว์ออกจากวัฏาสางสารเท่านั้นชีวที่สุดที่สุดของชิวมีความหมายเท่านั้นเื่องต้นจึงสอนให้สมาอาชีวะสมาหาเรื่องชีวิตโดยทางที่ชอบ เป็นรากเงาไม่ให้สุกเอาเผากินให้มีขอบเขตให้อยู่ในระบบของศีลธรรมตามสติกำลังซึ่งเป็นของเหลือวิสัยถ้าเราหักจะกล่าวตัวว่าคาสอนของพระบร ม, มาศาสดานี้เป็นของเหลือวิสัยลักไม่สามารถท้าพเจ้าจะปฏิบัติได้ถ้าเราจะกล่าวตัวอย่างนี้ก็คล้ายๆกบว่าพระบร ม, มาศาสดาง่า ผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้ก็วางคําสอนไว้บอก็ค่าๆกับว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสด า, าบอกว่าดอกบัวมันมีหลายจาพวกดอกบัวที่เป็นตูมก็มีดอกบัวที่เสมอน้ําก็มีดอกบัวที่จะบานก็มีไม่มีไม่ผูกขาดแต่ว่าอยู่ใต้น้ําส่วนพวกที่อยู่ใต้น้ํานัน่นเขาเป็นพักษารีบ้าเลตเต่าก็ตามบุญจำกรรมของตัด พวกที่อยู่เสมอนะแล้วพวกเทกําลังเป็นตูมจะบานในวันต่อไปก็ดีหรือในวันพรุ่งนี้ก็ดีหรือในวันนี้ก็ดียังมีอยู่พระองค์มองเห็นอย่างนั้นทีนี้เราจะเป็นดอกบัวชนไหนต่างคนก็ต่างรู้ตนเองทีน่มีอิสระจะตรวจสตนเองถ้าหากว่าเราจะยอมเป็นดอกบัวอยู่ได้แล้ว ความพอใจของเราก็ไม่มีพราเราไม่เป็นฐานะอย่างนั้นเราต้องการอยู่ฐานะในดอกบัวตูมในบอกดอกบัวเสมอน้าเท่านั้นดอกบัวสีเหลาไม่มีแต่ขั้งพุทธการขั้งนี้ก็มีหลวงพ่อดอกบัวกวาเดียวดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิ ดอกเสมอน้ามเสมอหน้ามเต็มภูมิดอกอยู่ใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกบัวแต่ละดอกค้ายๆกับว่าคนแต่ละคนในโลกพอเดียวไหมหมายความว่าคนอยู่ในโลกแต่ละดอกหมายความว่าแต่ละลายขอ้อมูลคนพอเดียวกันเพืที่จะเข้าสู่พระนิพพานก็เดินตามสายกันเหมืนปัว ผู้ที่จะไปนรกก็เดินตามสายกันเหมือนปลวกเหมือนกันไปคนละแพเหงวันนี้ย่าได้เห็นแกนอนมากนักชาคณิยานโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระตนข อ, ของตนให้หมดจดไม่เห็นแกนอนมากนักอภัพันนะครปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทร์สังวร สำรวมมินทรีหกคือตาหูจมกูกรินกายใจม่ให้เย็นดีเย็นร้ายในเวลาเห็นลูกสั่งเสียงลมกลิ่นริมรสถูกท่องปวพสะะด้วยกายด้วยส ม, มารมด้วยใจสองโพชเนมตัญยุตารู้จักระมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยสามชาสัิญาิโยกประกอบความเพียนเพื่อจะชำระใจของตนให้หมดจดมาเห็นแกนอนมากนะใครเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิด เรียกว่าอัปันนักาปฏิ ป, าปทาปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างนยู่ในทําหมดสามข้าบรทมศาสสะสราบอกได้เรานอนมารา้ชาติไร้ภบแล้วเรากินมารา้ชาติไร้ภบแล้วเรานั่งมาในรา้ราชาติไร้ภบแล้วเราเอืกกระเลืกเฮฮามารา้ชาติไร้ภบแล้ว เราเกิดแก่เก็บตายมาหลายชาติหลายภพแล้วจนนับไม่ไหวถ้าเราไม่สังเวชตนเองจะให้ดินน้ำไฟลมมาสังเวชตนก็สังเวชไม่ได้เราไม่กู้ชาติกู้ภพตนเองจะให้ใครกู้ให้กู้เข้าหาอาริยชาติคือชาติที่ไม่มาเกิดแก่เก็บตายเรียกว่าอาริยชาติคืออรหัตต ช, ชาติอรหัตถผล อยากจะกู้ออกจากชาติพุทุชนคนหนาโพตระปูยานยานขรอบโคตรคืออยากจะออกจากโคตรอยากจะกู้ออกจากชาติพุทธชนคนหนาโพตระปูยานยานขรอบโคตรคืออยากจะออกจากโคตรทถ้าอย่างนั้นใครๆก็ไปถึงพระนิพพานไม่ได้ ความเรื่อมใสในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์มีอยู่แล้วชัดชามีอยู่แล้วยังประโยชน์ให้สาเร็จมันเป็นหัวจักอยู่แล้วมันเป็นทรัพย์ภายในอยู่แล้วเราก็ตั้งหน้าปฏิบัติเท่านั้นลงมือปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติทำพระธรรมอยู่กับเราไม่ไยืมใครมาปฏิบัติ จิตใจที่จะปฏิบัติเพระจิตใจของเราไม่ได้ยืมใครมายืมสิ่งของเขายืมเงินยืมตางเขาเขาเก็บดอกเบี้ยอันนี้ไม่มีใครมาเก็บดอกเบี้ยกับเราไม่ต้องกระสงไครจิตใจของเรามีอยู่ขาสองแขนสองหัวหนึ่งของเราก็าบริบูรณ์อยู่แล้วเราก็คนหนึ่งสามารถจะเอาตอนเข้าวัจารสงสารได้ แต่เราสามารถมาเกิดเก่เก็บตายเราก็ยังสามารถเราจะสามารถให้เห็นโทษในเรื่องเกิดเก่เก็บตายเราจะถือเป็นของเหลือวิสัยเราเมื่อเราถือเป็นของเหลือวิสัยเราจะสัมคัญตัวว่าเราเป็นคนฉลาดเราก็เป็นคนโง่โดยไม่รู้ตัวอีกด้วยความคิดเห็นชนิดนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราได้ไหม ถ้าหากว่าเราสงสัยถ้าหากว่าเราต้องการาจะเราเป็นคนฉลาดอยู่ในวัฏสงสารเรายังไม่รุดทนความเห็นคิ่นั้นจะทําให้เราเป็นหมันในวัฏสงสารอีกจะทําให้เรามาตุกลบตกลุมผ่านเพลิงอยู่ไม่แล้วไม่รอดรอเกือแก่เก็บตายวุ่นวายกันอยู่โลกวุ่นวายโรคคัดฟ้องใครอยู่ที่ไหนก็คัดฟ้องที่นั่น เพราะโลกจำไปด้วยกิเลสมันก็คัดคล้องนั่นเองถ้าไม่ถึงพระนิพพานเนี่ยเขไม่ผ่านพ้นความคัดคล้องไปล่ะจะเอาแต่อามิ์ภายนอกมาแก้กิเลสไม่แก้มันจะคล้ายๆกับว่าจะเอาปืนทิ้งใส่ไฟเพื่อให้ชนะไฟมันยอมชนะไม่ได้มันก็ไม่ไปหมดต้องแก้กิเลสด้วย วัตถุนิยมทุกประเภทอยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วขณะนี้อยู่ในวงแขนของเราได้วัตถุนิยมภายในสกดแขนของเราได้วัตถุนิยมภายในสกุลรกายก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วตาหูจมูกริมกายของเราก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วจิปัญญาคิดใจก็ต้องรู้ามเป็นจริง มิฉะ น, นั้นแล้วจะเป็นเรษเที่ยวามาเฝ้าหนังเฝ้ากระดูกอยู่นี่เฝ้าหิว้วเฝ้ากินเฝ้าขี้เฝ้านั่งเฝ้านอนเฝอกินเฝถ่ายเป็นธาตุของตนเองเป็นธาตุแห่งตัณหาเป็นธาตุแห่งความทะเยอทยานเราต้องเห็นโทษอย่างเต็ม ท, ท, ที่เห็นโทษในเรื่องเกิดเห็นโทษในเรื่องแก่เห็นโทษในเรื่องเก็บเห็นโทษในเรื่องตาย เป็นโทษในเรื่องหิวเห็นโทษในเรื่องอยากเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านี้พอแล้วก็คือตัวจิตสมาธิปัญญานั่นเองไม่ใช่อื่นใดโดยก็คือพระพุทธพรธรรมพระสงค์นั่นเองก็คือเป็นเครื่องฟ อ, อกผิดฟอกใจให้สะอาดนั่นเองไม่ใช่อื่นเพราะไม่ใช่สมาธิหัวตร์เพราะไม่ใช่สมาธิและปัญญาหลอกกินขนมหลอกให้คนนับถือสมาธิปัญญาเพื่อหวังหลุดหวังพ้น ออกจากวัฏจรสงสารวัฏจัไปเอาความหมุนเวียนความหมุนเวียนแห่งความลงของตนแต่และท่านและท่านจะตัดให้มันขาดไม่อยากจะมาหมุนเวียนอีกความหมุนเวียนก็คือวัฏจวัฏจก็มีอยู่ประจำคันทักสันดานของทุกทุกท่านเมื่ อ, อยังไม่รุดพ้นตัดวัฏจด้วยพระมหาสติด้วยพระมหาปัญญาก็คือพระมหาพุทธพระมหาธรรมพระมหาสง์ นั่นเองมหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญานั่นเองอันมีอยู่ในปัจจุบันทันตามองดูอดีตก็เอื่มและอามากมองดูอนาคตก็ไม่น่าเลื่อมใสสบาย ช, าชา้าๆพ บ, พบมองดูในปัจจุบันที่นั่งอยู่ยนี่ก็ไม่น่าเลื่อมใสเพราะมีแต่กองทุกข์ พิษหน้าพิษหลังหายใจเข้าหายใจออกทรัพย์ประงกก็มีเปรตนั่งเฝ้าล้มมุดล้มพูดเราจะปัญหาที่อื่นมันไม่พบดอกก็คือมนุษย์เราดีๆนี่เองก็ในเชิกพลละกายของเรานี่ก็มีแต่ล้มมุดล้มพูดเราก็เป็นเปรตนอนเฝ้าอยู่ทุกวัน เราต้องเห็นโทษเวลารับทานเวลาดื่มก็บอกว่าอร่อยเวลาไปถ่ายก็ต้องปิดประตูลิ์เลยอัดแน่พิ้นหน้าเพี้นหลังได้ยินั้งคนก็ก๊อกแจ๊กมาเขาหันหน้าสู้ก็เกงเขาจะมองดูตนเวลากินก็กินอย่างสุขภาย ทุกนี้ก็ต้องกินอีกทายอีกขันนี้เองทุกมันอยู่กับตัวเราที่สมมุติว่าเรานี่เองที่สมมติว่าขันขันนี่เองทุกขันปุ๊บขัดขันทัศน์จักอันดักวิญญายะสั้งวัตถุจะทําให้พ้นจากกองทุกจะพึงมีปรากฏแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกโพสติ น, นาเป็นผู้มีทุกแล้วทุกโพสติ น, นาทุกขาบารีตา การจะทําให้คนทุกข์จะเพิงมีปากรูแก่เข้าไเจ้าทางเราไม่ใช่เราสวดเล่นถ้ า, าว่าเราไม่สนใจเข้าใค่ค่าก็ว่าเราสวดเล่นก็บอกว่ารูปังอนิจจังเวสนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสั่งขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอรตาเวท น, น, นาอรตาสัญญาอรตะสั่งขาราอรตะวิญญาณังอรตะก็แค่ค่ายก็ว่าเราสัต์เนื่องสับอยู่ที่นี่ รูปังอนิจจังก็สับอยู่ที่นี้เวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสัาลยานิจจาวิญญาณอนิจจังรูปังอนัอนตาก็สับอยู่ไม่ถอยนี่สับอยู่ของเก่าพูดหลายคาก็ตามสับอยู่ของเก่าคล้ายๆกับเคียงค่อยๆกับช่างเลยตีถูกหน้าช่างอยู่เสมอเสมอไม่สงสัยไปในทางอื่นเลย ถ้าเขาแย่งกันอยู่นี่ในโลกอันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมนี้เข้าสู่พระนิพพานไปหมดผู้มีกิเลสมากก็ให้แย่งกันอยู่ในนี้เราจะสืบอมอรรดกอันไม่เกิดแก่เก็บตายในพระนิพพานและไม่ต้องการจะมาสืบอมอรรดกกองทุกในวัดจ้าสงสารอีกผู้บายใดเห็นโทษในวัดจ้าสงสารผู้บายนั้นเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อุบายใดเห็นเพลินในวัฏจัสงสารอุบายนั้นเป็นคาสอนของพยามารอุบายใดเอื้อมละอาในวัฏจสงสารก็เหมือนกันก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุบายใดจะเคล็ดหลาบในวัฏจักรสงสารเคลดหลาบในความเกิดแก่เจ็บตายอุบายนั้นก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยอุบายใดเป็นเครื่องเชยทะยาในวัฏจักรสงสารกับพุทธกัอืออุบายนั้นเป็นคําสอน ของพยามาลมาโปาพิมพเพราะมานมันอยู่ในที่ที่เรานี่กิเลสมานมันจ้องเวลาเดียวถ้านั่งภาวนานบ้างมันก็ชวนเอาเถอะขนาดนี้มันชวนเราให้นอนเพราะมันเก่งเกีติกลือว่าเท่ามันถ้าเดินจงกรมบ้างมันก็บอกว่าเอาเถอะสมควรแล้วนัดตัวพยาบาลเพราะมันเก่งแกรู้จากมันมันเก่งแคนี้จากมันมันเก่งมันจะไม่ร้อยจมูกได้ มันเคยร้อยจมูกมาแล้วเท่าไส้ขวากับล้างหันวิ่งเดินที่เกียจมาแต่งงานอีกคำว่าแต่งงานก็คือแต่งงานทุกันเองแต่งดองกันในโบราณเรียกว่าแต่งดองแต่งดองกับแต่งงานก็เหมือนกันพ่อดองงานไว้พราดองทุกไว้จิตไปโอบคิตใจโอนไปจิตใจไม่ไวัดไม่ไหวใจในวัฏจักสงสาร ก็คือจิตใจเขาพิจารณาธรรมะนั่นเองนะก็คือเขามีพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นเครื่องอยู่นั่นเองก็คือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่นั่นเองอมีธรรมเป็นเครื่องประพฤตินั่นเองจิตใจเฟื่อในวัฏจักรสงสารก็คือหาฟื่องทิ้ใส่ไฟนั่นเองเรียกว่าหาเชือกมาไว้ผูกพอตน ถ้าว่าพิจนาธรรมะของพระ อ, องค์เป็นอาหารอยู่ความหลงโรกโกรธหลงมันก็ไม่มีหนทางจะไปรวมพลมาหรือไปหาเสียงมามันก็นับวันจะหมดเสียงไปปัญหาของเราก็นับวันจะน้อยลงเมื่อเสียใจก็มีประตูกแก่เมื่อดีใจก็ไม่เพลินจนยืนตัวเพราะมีทําเป็นเครื่องอยู่ เมื่อได้อะไรก็ไม่ตื่นจนเกินไปเมื่อเสียก็ไม่โศกจนเกินไปเพราะได้พิจรารณาทำเตรียมไว้แล้วเพราะรู้จักทั้งทางได้รู้จักทั้งทางเสียรู้จักทั้งทางเกิดขึ้นและเสื่อมแพร่ป่วนไปการตกใจหรือเสียใจจนเกินป่วนจนนับถิ่ไม่ลุกมันก็ไม่มีเหตุฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติสินธรรม เมื่อมีผู้ถึงอันตรายใดๆทั้งสิ้นเขาจึงไม่ได้โศกเศร้าเสียใจซึมเกือกร้องไห้ลำพันจนเกินไปเพราะมีสถานีหยุดพระอำนาจของธรรมะเมื่อที่ประสบอารมณ์ไม่เหมาะสมก็ร้ อ, องไห้จนจะตายไปด้วยกันเพราะไม่ได้ปฏิบัติชินธรรมทำคำสอนของพระองค์เป็นของไม่บูดไม่เน่าเหมือนแกน เป็นของบูดเน่าเป็นของทันสมัยอยู่ไม่บูดไม่เน่าทุกยุคทุกสมัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใครจะนับถือหรือไม่นับถือก็จ้ า, จามเป็นของดีของเด่นอยู่อย่างนั้นเป็นของมีค่าอยู่อย่างนั้นมในใกายโลกธานตุเราเรียกเรียนปฏิบัติเพื่อคนทุกในวัตฏจักรสารเสียให้เขาแย่งข่าฟันกันตายอยู่นี้ แย่งไร่และย่งนาแย่งแย่งรั่วแย่งสวนสารพัดแย่งอิทธิพลบ้านเมืองอะไรต่ออะไรสารพัดเลยเขาแย่งกันอยู่นี่พวกที่ยังบา ร, รมีอ่อนเราไม่ต้องการบา ร, รมีอ่อนเดียวนี่มาง่ในวันตาทงสามมีเท่าไหรเราจะเอาสติปัญญาเหยียบเล็บมันต่อสู้กับมัน ความหลงความเพลินมีเท่าไรเราจะเอาพระมหาสติมหาพระมหาปัญญาไปต่อสู้กับมันรบกมันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอยู่ในเมืองใจนี่เพราะมันค่นเมืองใจของเรามาหลายควบหลายชาตแล้วมันจังบ้านร อ, รอบๆแล้วโลคปวดหลงนั้นอยู่รอบเมืองใจของเรานี่ทีนี้เราจะขับให้มันหนีไม่ใหม้มันมาเป็นเจ้าเป็นจอม อีเกียจมาเป็นนายชาลชีขับรถคันกระดูกปีนขึ้นเขาปีนไปทุกฝนทุกแห่งนายชาลชีนายชาลชีคือพญยายคิตราชขับรถสองขาขับเพื่อปฏิบัติทิฏธรรมถูกแล้วจะขับไปนรกนั่นผิด ครับไปทำกรรมอันไม่ดีต่างๆพรุ่งนี้จะไปไหนเราก็กะเข้าๆกันไว้แต่จะถึงพรุ่งนี้หรือไม่ถึงไม่ทราบที่ประจร์ยู่เดินก็เป็นเรื่องสมมติกันเท่านั้นเราจะยืนยันได้แต่ที่ล่วงมาเท่านั้นกับปัจจุบันเท่านั้นพรุ่งนี้เรายืนยันไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะตายกว่ า, มาเมื่อเช้านี้ริปด่ดิบดีดิบดีเขาไม่ถอยเลย พอหมุนลานนาฬิกาแต่วันเกิดเนี่ยมันยังไม่หมดลานถ้าทิ้ลมปานก็หมดลานข้างหนึ่งแล้วเรียว่าชาติหนึ่งแต่มันไปเกอใหม่อีกผลของกรรมตามไปแต่ฮาบุญบ้างบาปบ้างแต่ไม่ต้องการหลายบ้างเพราะต้องการจะเข้าสู่พระเนปานให้มีบ้างเดียวเสียนี่ไม่ต้องการทางหลายแพรง มาเกิดในวัดตาสงสารไม่เกรงว่าท่านผู้อื่นจะมาเกิดมากกว่าเราไม่เสียไม่ยอมไม่ไม่ถือว่า เ, เป็นของเสียเปียบเสียเปรีย บ, ย บ, ยบแต่ท่านผู้เข้าสู่พระนิพพานก่อนผู้จะท่องเที่ยวในวัดตาสงสารไม่ได้เสียเปรียบดอกใครจะไปเสียเปียบผู้ลุยลุ้นทานเพลิง เสียเปียบผู้ออกจากลุมฐานเพลิงเท่านั้นตกลุ้มมุดลุกมูดอยู่ใครจะเสียเปียบถ้าอยากจะไปตบแขมพวกที่มุ่นพนจากลุ้มมุดลุกมูดเราเสียเปียบทีนี้แตตกลงก็เสียเปียบเรานั่นเองไม่ใช่เสียเปียบท่านเราั้นเสียเปียบความู่ของเรามันมีอํานาจมากเสียเปียบความหลงของเราเพราะมันมีอํานาจมาก มันมีอำนาจมากกว่าศินสมาธิปัญญาเราเพราะสินสมาธิปัญญาของเราอบรมน้อยปฏิบัติน้อยมันก็มีมันก็สแสดงปาฏิหาริย์ได้เ mm hmm. มื่อเราปฏิบัติมากมันก็สแสดงปาฏิหาริย์ไม่ได้ถ้าเราพิจรารณาความทุกข์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน mm hmm. ก็เรียกว่าเรียกว่าเหยียบเล็บความหลงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพราะความลมหายใจเขาออกด้วยวันนี้แหละวันฉลองมาค่ะนั่น ดีกว่าเราคุยกันดีกว่าเราจับกลุ่มคุยกันเล่นถ้าเราจะฟังเทศมันก็สุดไม่เป็นเราต้องฟังในเราฟังเทศในการลมหายใจเขาออกดูี่ที่นี่เออฟังเทศในกรรมฐานของเรานั่งฟังของใครของมันาะมีนักเทศอยู่เต็มแล้วนี่จะฟังกันไหนกันผมขนเียบวันนั้งเงื่ อ, อนกระดูกกันอันนี้จังทุกคั้งอนัตตา กันเปืยกันเน่ากันลมหายใจาอก็นั่งฟังของใครของมันทีนี่พระนักเทศเอกมีอยู่ทุกทกท่านแล้วนี่มีอยู่ในนี้่กบผลจะกันน้ำเหนื่อนะอืมไปไหนก็ไปตามนักเทศเอกข้างนั้นอ่ะความแก่ก็แก่อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงทํามาอยู่นี่ความเก็บตัวเก็บไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงทธรรมาตเนี่ยความตายก็ไม่ตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงทํามานตก็ฟังเทศกันอยู่นี่อยู่ในสนามนี่ นี่สนามต่อสู้สนามกายสนามใจนี่ฟังกันอยู่นี่ปฏิบัติกันอยู่นี่ชกต่อยกันอยู่นี่อยู่ในสนามนี่พวปรม า, ารษฎาตัทลูที่ต้นโพจริงอยู่ตัทลูที่ใจของท่านการทำความดีความชั่วทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่เมืองใจ แต่ไปมารผลนี่พา่านก็ไปจากเมืองใจเองก็ไปเมืองใจนั่นเองที่ไม่มีกิเลสนั่นเออไอหม้อไพ่พระจำเป็นผู้ตัดสินคุณหนูฉลาดนะเออ เออสาธุสาธุแต่ก็มอให้พระธรรมอีกเหมือนกันให้พระธรรมเป็นผู้ตัดสินลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเป็นทุกรอบหนึ่งก็เป็นศีนสมาธิปัญญารอบหนึ่งก็เป็นมรรคผลรอบหนึ่งเหมือนกันก็เป็นพระพุทธธรรมผสมรอบหนึ่งเหมือนกันลมหายใจเข้ า, ขาออกข้างหนึ่ง ก็เป็นทุกรอบหนึ่งเป็นทั้งขารอบหนึ่งเป็นโลกรอบหนึ่งเป็นกิเลสรอบหนึ่งแต่ก็เป็นสมาธิสินสมาธิปัญญาอีกรอบหนึ่งเหยียบเรียบกันอยู่พราะมหาสติพระมหาปัญญาเหยียบเรียบกันเป็นพุทธธรรมสงรอบหนึ่งเหมือนกันเป็นพระพุทธศาสนารอบหนึ่งเหมือนกันไม่สงสัยในโรครอบหนึ่งเหมือนกันรูปตามเป็นจริงของโรครอบหนึ่งเหมือนกันรูปตามเป็นจริงของสั้งขารอบหนึ่งเหมือนกันรูปตามเป็นจริงของกองทุกรอบหนึ่งเหมือนกัน รอบคนอื่นก็คือรอบเก่าไปอีกไม่ใช่รอบใหม่ไม่ใช่โลกใหม่โลกอันเก่าลมหายใจเข้าอีกเครื่องหนึก็เป็นโลกอันเก่าอีกโลกรอบเก่าสีสมาธิปัญญารอบเก่าอีกเหมือนกันสติปัญญารอบเก่าอีกเหมือนกันพุทธธรรมส่งรอบเก่าอีกเหมือนกันชกกันอยู่ที่นั่นรู้กันอยู่ที่นั่นเหยียบเล็บกันอยู่ที่นั่นรู้แจ้งกันอยู่ที่นั่นทันกันอยู่ที่นั่นมัดแรกมัดกันอยู่ที่นั่นสอกแรกสอกเข่าเรียบเข่ากันอยู่ที่นั่น เอาละสีนี่ไปไปปฏิบัติทํความเพียรสีนี่เราจะไปสงสัยที่ไหนอีกถ้ า, าว่าจะไปพาวานาตามก้อนห็นก้อนผาพัากันหอบเสือกไปเนื้อเดี๋ยวไปนั่งหินลนโลนเนื้อเดี๋ยวไปนั่งหินลนโลดเดี๋ยวมันจะเกิดเนบชาศาสตรของเราอยู่ใต้ทุนมีหอกไปจับกลุ่มกัน อย่าพักนอนเนอะนอนครัตั้งใจไม่นอนนะนะตั้งใจ้งเรื่องสิ่งน้เออเดี๋ยวนี้ครมาเสียนให้มันมันเป็นชายดุคนนะเช้เป็นไงกับต้องเยงน็นเย็นนะครับวันนี้่ะวันฉลองมาครับล่ะนี้ดีวกว่าเราคุยกัน ดีกว่าเราจับปลุ่มคุยกันเล่นถ้าเราจะฟังเทศมันก็สุดไม่เป็นแล้วต้องฟังในเราฟังเทศในการลมหายใจเขาออกดูสิทีนี่เออฟังเทศในกรรมฐานของเรานั่งฟังของใครของมันเพราะมีนักเทศอยู่เต็มแล้วนี่จะฟังกันไหนกันผมขนเล็บวันนังเนื้อเอ็นกระดูกกันอณิจังทุกครังอนัตตากันเปื่อยกันเน่ากันลมหายใจเขาออกก็นั่งฟังของใครของมันทีนี่ก็ นักเทศเอกมีอยู่ทุกๆท่านแล้วนี่มีอยู่ในนี่ผมผลเรีกวันนั่งเนื้อนะไปไหนก็ไปตามนักเทศเอกข้างนั้นแ่ะความแก่เพแก่อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงทํามาฏอยู่นี่ความเก็บตัวเก็บไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงทําทํามาฏเนี่ยความตายก็ไม่ตายหยุดเพื่อกลางวันกลางคืนไม่ลงทํามาฏเนี่ยก็ฟังเทศกันอยู่นี่อยู่ในสนามนี่นี่สนามต่อสู้สนามกายสนามใจนี่ ตังกันอยู่นี่ปฏิบัติกันอยู่นี่ชกต่อยกันอยู่นี่อยู่ในสนามนี่พระปรมษาษดาตัลรลูที่ต้นโพจริงอยู่ตัลทลูที่ใจของท่านการทําความดีความชั่วทําอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่เมืองใจจะไปมรควิผ่านเข้าไปจากเมืองใจเองก็ไป เมืองใจนั่นเองที่ไม่มีกิเลสนั่นเออแล้วไอ้หม้อไพาพระจำเป็นผู้จัดศินคุณหนูฉลาดนะเออเออสาธุสาธุ เดี๋ยวก็มอกให้พระํารอีกเหมือนกันให้พระทําเป็นผู้ตัสินยมตวนเท่านั้นจังหวัดอุดรฝ่ายพระก็มีท่านเจ้าคุณําให้เจดีและญาติโยมของท่านเท่านั้นเหลือนอกนั้นไม่ได้ไม่อะไรเหมือนทุกวันนี้ คนตื่นก็นมาฐานทุกวันนี้ก็เ้ิงตื่นในเวลาที่หลวงปู่มั่นนิพพานนี้เท่านั้นก็ตื่นหนังสือหลวงปู่มหาแต่งเท่านั้นแต่ก่อกรรมฐ า, านไม่ได้มีค่าดอกทีนี้อาตมาอยู่อย่างนี้นี่นมันอยู่เก็บตัวทําเหมือนเต่าเหมือนตุนไม่ออกตัวก็ว่าได้อยู่เก็บตัวถ้าออกตัว ก็ต้องไปเที่ยวแต่ทุกทิศ ท, ทุกทางเล่าเรื่องตนที่ปฏิบัติใกลคิดถ้าอาจารย์มั่นเสมอเสมอเดี๋ยวนี้เก็บตัวที่สุดเดี๋ยวนี้น<ม>้องปูมหาก็บอกไว้แล้วนี่ท่านผูดยังที่ไม่ออกตัวก็มีในหนังสือของข่ายในชีวประวัติอ่านเห็นเหมือนกันนะเอยังมีอยู่มากท่านพูดนี้ะ พู้ที่ไม่ออกตัวก็เรานี่คนหนึ่งมันถูกแล้วแล้วไม่ชอบออกตัวถ้าเอารูปของเราไปไปพิ ม, ม์เหมือนกันเราให้บอกคุณสวัสดิ์การไปกี้คืนบอกว่าไม่ชอบอย่างงั้นธรรมดาคนมาหากันเขอถ่ายรูปก็ให้ถ่ายรูปเป็นธรรมดา นึกว่าจะสัตว์ซื้อสุดจริดต่อกันถ้าเอาไปทำอย่างนั้นไม่ชอบเอาลูกของเราไปปนไว้กับพ้าแขนกระดิ่งเราให้คุณสวัสตามไปกี้ขึ้นมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยนี่เขาก็ยอมแล้ว แล้วไม่ออกตัวเราอยู่แบบงงๆของเจ้าตา ว, ว, วุนมาอยู่นี่ทุกเต็มทีนี่มาอยู่นี่หามหน้ามาจากคอยข้อนะ่ยถึงสิบปีจึงมีกระแท่งน้ามาอันหนึง่งเออเราไม่กินแรงของใครมีเนรสองมีเนรสองสาองค์มีพระสองสาองค์เพราะที่อยู่ครับแทบ